จารพรท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24มกราคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้าง สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจนั่นก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินี้เป็นหนึ่งในผู้นำทางของชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายนอกจากสัมมาทิฏฐิแล้วก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบ เป็นผู้นำทางให้แก่สัตว์โลกด้วยถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเป็นผู้นำทาง <c oughs> ก็จะพาให้สัตว์โลกวนเวียนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายในภพต่างๆไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้ามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง <c oughs> เป็นผู้นำทาง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 ความเห็นที่ถูกต้องนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะถ้าเราไม่ได้มาวัดเรามักจะถูกผู้นำหรือผู้นำทางอีกคนหนึ่งคือมิจฉาทิฏฐิคอยชักจูงคอยพา ให้เราไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเสียใจในภายหลังดังนั้นเราจึงต้องพยายามเข้ามาที่วัดเพราะเมื่อเรามาวัดเราจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนั้นเป็นสวาคขาโตภะวะตาธรรมโม เือเป็นธรรมที่ตัดตัดไว้ชอบแล้วหมายถึงถูกต้องตามหลักความจริงเป็นความเห็นที่ถูกต้องออกมาจากความเห็นที่ถูกต้องคือออกมาจากการตรัสรู้ของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็ น, นีนต่างจากสิ่งที่ปุตุชน อย่างพวกเรานี้รู้เห็นกันพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างส่วนพุุ้ชนนั้นยังเห็นเป็นบางส่วนไม่เห็นครบถ้วนจึงเห็นผิดเป็นชอบพระพุทธเจ้านั้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนจึงเห็นอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิตฐิทรงเห็นว่าชีวิตของมนุษย์ นี้และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นประกอบด้วยสองส่วนคือมีทั้งกายและมีทั้งใจกายเป็นส่วนหยาบส่วนใจเป็นส่วนละเอียดกายเป็นส่วนที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีอายุไขเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายส่วนใจเป็นส่วนที่ไม่ไม่มีแก่ไม่เจ็บไม่ตาย นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นส่วนสัตว์โลกนั้นที่เป็นปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราจะเห็นเพียงครึ่งเดียวคือเห็นส่วนทางร่างกายแต่ไม่เห็นทางด้านจิตใจเพราะทางด้านจิตใจถูกมิจฉาทิฐิความเห็นผิดเป็นชอบครอบงำอยู่ เป็นผู้คอยหลอกคอยล่อคอยสอนให้หลงติดอยู่กับร่างกายให้หลงติดอยู่กับการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้หลงติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งที่เป็นวัตถุและเป็นบุคคลโดยไม่ให้เห็นเลยว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของตนเองนั้นเป็นที่ตั้งของกองทุกเพราะเป็นไตรลักษณ์สิ่งต่างๆในโลกนี้และร่างกายนี้มีไตรลักษณ์เป็นเป็นเป็นคุณสมบัติคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วต้องดับไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีตัวตนไม่ได้เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมและธาตุไฟเมื่อรวมตัวกันก็ปรากฏเป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาเช่นต้นไม้ภูเขา ศาลาบ้านโบสเจดีต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ามลมไฟส่วนร่างส่วนมนุษย์ร่างกายของมนุษย์ก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ามลมไฟและมีธาตุที่หคือธาตุรู้มาครอบครองมาจับจองไว้เป็นสมบัติ ร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจึงต่างกับต้นไม้ต่างกับวัตถุต่างๆตรงที่มีธาตุรู้มาเกี่ยวข้องด้วยมาครอบครองมายึดมาติดมาหลงว่าเป็นสมบัติของตนมาหลงว่าเป็นตัวเป็นตนดังที่เราหลงกันว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา เมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดความยึดติดเกิดความอยากให้ร่างกายอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างปลอดภัยอยู่ไปตลอดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่นี่เป็นความหลงเพราะมันขัดกับความจริงความจริงนั้นร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆต้องมีการสูญสิ้นมีการพัดพรากจากกันไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่ความหลงไม่สามารถทำให้ใจของผุ้ตุชนของสัตว์โลกทั้งหลายมองเห็นความจริงอันนี้ได้จึงเรียกว่ามีมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเมื่อมีความเห็นผิดเป็นชอบแล้ว ก็จะทําในสิ่งที่ผิดตรงข้ามกับสิ่งที่ควรจะทําเพราะสิ่งที่ทําที่ผิ ด, น, ดนี้ไม่ได้ทําประโยชน์ไม่ได้ทําผลที่สัตว์โลกทั้งหลายปรารถนากันก็คือความสุขความปราศจากความทุกข์แต่กลับเป็นตรงกันข้ามกันความหลงจะพาให้สัตว์โลกไปทําในสิ่งที่ จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเกิดความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราวัตถุเข้าของต่างๆเป็นสมบัติของเราก็เกิดความอยากอยากที่จะให้อยู่กับเราไป น, น, นานๆเมื่อมีความอยากขึ้นมาในใจก็จะเป็นต้นเหตุของความทุกข์ ขึ้นมาในใจทันทีนี่เป็นสิ่งที่ความหลงมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบจะหลอกให้ใจของสัตว์โลกสร้างความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราทุกข์ใจกันอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทุกจากอะไรทุกจากความหลงทุกจากความอยากนี้เอง มีแต่ใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตะสาวกทั้งหลายที่ไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเพราะไม่หลงเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่อยู่ในความอยู่ในความต้องการของสัตว์ของใจได้คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขามีเหตุมีปัจจัย ที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะไปสั่งการให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความอยากตามความต้องการของความหลงไดง้พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องท่านก็ปล่อยวาง คือไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ทำใจยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของหรือเป็นบุคคลหรือเป็นร่างกายของตนเองยอมรับความจริงของไตรลักษณ์ในในวัตถุในบุคคลต่างๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปไม่มีอะไรที่จะไปยับยัง้งสัจธรรมความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ได้เมื่อยอมรับความจริงนี้แล้วใจก็จะไม่สร้างความอยากขึ้นมาเมื่อไม่สร้างความอยากขึ้นมาในใจ ก็จะไม่มีเหตุที่จะทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเหตุที่ทำให้ใจเกิดความทุกข์ก็คือความอยากนี้เองความอยากนี้ทรงจำแนกไว้สามส่วนด้วยกันคือหนึ่งความอยากในการคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสผพถภะเช่นอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรสอยากจะดมกลิ่น อยากจะสัมผัสกับโธฏภะชนิดต่างๆเวลาเราอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทําเราจะรู้สึกงุดหงิดใจราคาญใจเศร้าซ้อยหน่อยเหงานี่เป็นเพราะว่าใจเราเกิดความอยากขึ้นมาแล้วอยากจะดูอยากจะฟังพอเราเปิดโทรทัศน์ดูเปิดวิทยุฟังความรู้สึกงุดหงิดเศร้าซ้อยหน่อยเหงา ก็จะผ่อนคลายออกลงไปหายไปชั่วขณะที่เรากําลังได้ได้ยินได้ฟังได้ดูได้เห็นสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นอยากจะฟังแต่พอเราหยุดฟังหยุดดูแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกเงาหงอยเช่นเดียวเช่นเดิม ชีวิตของเราจึงต้องตะเกียกตะกายอยู่กับการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผลดโพัพพะชนิดต่างๆอย่างไม่รู้จักหยุดจักรยอนเพราะหยุดไม่ได้หยุดเมื่อไหร่แล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีนี่คือความอยากในการที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ความอยากอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นนี่ก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเดียวกันเช่นเกิดมาแล้วก็อยากร่ำรวยอย่างนี้เป็นต้นอยากมีตำแหน่งมีฐานะที่ดีที่สูงอย่างนี้พอมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ทำให้ไม่สามารถตั้งอยู่ในความสงบไม่สามารถอยู่อย่างเป็นสุขได้ต้องผลักดันตนเองให้ไปแสวงหาสิ่งที่ตนเองปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยก็ดีหรือตําแหน่งยศถาบรรดาศักด์ต่างๆก็ดีหรือการสรรเสริญยกย่องเยือนยอก็ดี ดังนี้เรียกว่าเป็นความอยากมีอยากเป็นถ้ามีในใจแล้วจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะไม่สามารถอยู่เป็นปกติได้ประการที่สามความอยากที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย หรือถ้าพูดง่ายๆตามภาษาก็คือความกลัวความแก่ความเจ็บความตายกลัวการความพัดพลากจากกันกลัวความเจ็บปวดของร่างกายกลัวความหิวของร่างกายกลัวความทุกข์ยากลาบากของร่างกายเหล่านี้เรียกว่าเป็นความอยากชนิดที่สาม ถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจแล้วก็จะมีความทุกข์อยู่ในใจไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถตัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปได้ความอยากนี้มีทั้งส่วนที่เป็นส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็ที่พูดไว้สามประการนี้ ความอยากในการอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้เป็นความอยากที่เป็นโทษเป็นทุกข์กับจิตใจส่วนความอยากอย่างอื่นนั้นเป็นประโยชน์กับจิตใจก็มีเช่นอยากทำความดีอยากละบาปอยากนั่งสมาธิอยากทำบุญอยากปฏิบัติธรรมอยากมาวัด เหล่านี้ไม่เรียกว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่เป็นต้นเหตุที่จะทําให้จิตใจนั้นไม่ทุกข์นั่นเองเพราะเป็นความอยากที่จะไปดับความอยากที่ไม่ดีให้หมดไปความอยากที่ไม่ดีนี้เปรียบเหมือนกับเชื้อโรคในจิตใจส่วนความอยากที่ดีนี้เปรียบเหมือนยารักษาโรคใจ ถ้าเราเอาความอยากที่ดีนี้เข้าสู่ใจแล้วความอยากที่ไม่ดีก็จะถูกกําจัดถูกทำลายจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้นี่แหละคือเรื่องของผู้นำชีวิตของเรานั้นมีอยู่สองคนด้วยกันสองฝ่ายฝ่ายดี และฝ่ายไม่ดีในใจของพวกเรานี้มีฝ่ายไม่ดีตั้งฐานทับไว้อยู่เป็นผู้ครอบครองจิตใจของเรามาเป็นเวลาอันยาวนานโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเขาเป็นผู้ครอบครองใจเราเป็นผู้นำพาใจของเราให้ไปเวียนว่ายตายเกิด ในพบต่างๆมานับเป็นจนํานวนไม่ท้่วแล้วและจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด <c oughs> จนกว่าเราจะสามารถกำจัดผู้นำฝ่ายนี้หรือฝ่ายไม่ดีนี้ไปให้หมดให้ได้เท่านั้นถึงจะสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ และผู้ที่จะกำจัดผู้นำฝ่ายไม่ดีนี้ก็คือผู้นำฝ่ายดีนี้เองคือเราต้องเอามิตรเอาสัมมาทิฐิความเห็นที่ถูกต้องมาลบล้างความเห็นที่เห็นผิดเป็นชอบความเห็นผิดนี้เป็นสิ่งที่เรากำจัดได้ด้วยความเห็นถูกเช่นเมื่อก่อนนี้เราอาจจะคิดว่า สัตว์ตัวนี้เป็นสุนัขแต่ความจริงเป็นเป็นอย่างอื่นเป็นแมวเป็นต้นจนกว่าจะมีคนมาสอนหรือมาบอกเราว่าตัวสุนัขที่เราคิดว่าเป็นสุนัขนี้ความจริงไม่ได้เป็นสุนัขแต่แต่เป็นแมวหรือปลาไหลที่เราหรืองูที่เราคิดว่าเป็นปลาไหลแต่ความจริงมันเป็นงูพิษ แต่เราไมเ่เราไม่รู้จักแยกแยะว่างูพิษกับปาลาไหลนี่แตกต่างกันอย่างไรถ้ามีคนที่รู้ที่ฉลาดกว่าเรามาบอกเราว่างูที่คุณคิดว่าเป็นปาลาไหลนี่มันเป็นงูพิษมันไม่ใช่เป็นปาลาไหลเราก็จะได้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเรารู้ว่าเป็นเป็นงูพิษเราก็จะปล่อยมันไปเราจะไม่ไปเข้าใกล้ไปหามัน เพราะเรารู้ว่าถ้าเราเผลอเราพลาดก็อาจจะถูกมันกัดตายได้นั่นเองนี่คือเรื่องของความเห็นผิดเป็นชอบคือมิจฉาทิฏฐิกับความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้เกิดจากการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นปุทุชนธรรมดาทั้งหลายแล้วไม่มีใครสามารถที่จะ มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ด้วยตนเองไม่มีทางที่จะรู้ว่าตนเองนั้นมีทั้งร่างกายและมีจิตใจไม่รู้ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายไปในที่สุดไม่รู้ว่าใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่รู้ว่าใจนี้ยังต้องไปเกิดอีกถ้ายังมีความอยากอยู่ภายในใจ เพราะความอยากนี้เป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงของภพชาตินั่นเองถ้าตาบใดยังมีความอยากอยู่ภพชาติก็ยังจะตามมาอยู่นี่เป็นสิ่งที่ปุทุชนทั้งหลายไม่มีทางที่จะรู้ได้ด้วยตนเองเลยจะรู้ได้จากพระอรหันตะสัส ม, มาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น อย่างพวกเราชาตินี้เกิดมาถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาได้มาพบกับคำสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนความจริงให้แก่พวกเราได้รู้กันเพื่อเราจะได้นำเอามาลบล้างเอามาทำลายความเห็นผิดเป็นชอบให้หมดไปด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม คือการกระทําของเราพฤติกรรมที่เราทําอยู่นั้นอยู่ในกรอบของความอยากทั้งสามประการคืออยากในกามอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้ายังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ในใจอยู่ใจของเราก็จะต้องทุกอยู่ไปเรื่อยๆและจะต้องไปเกิดใหม่ทุกครั้งที่ร่างกายนี้แตกดับไปถ้าเรา น้อมเอาวิธีการตัดความอยากทั้งสามนี้เข้ามาปฏิบัติกับตัวเรากับใจของเราเราก็จะสามารถทำลายความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปได้เมื่อเราทำลายให้มันหมดไปได้แล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีก และจะไม่มีเชื้อแห่งภพชาติที่จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้อีกนี่คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่พวกเราเข้ามาศึกษามาเรียนรู้เพื่อเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติกับใจของเราเพื่อจะได้กำจัดความอยากต่างๆทั้งหลาย ที่เป็นเหตุของความทุกข์ที่เป็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดให้มันหมดสิ้นไปจากจิตจากใจดังนั้นเราจึงควรที่จะเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติให้เราบำเพ็ญสิ่งที่ทรงสอนนั้นก็มีอยู่หลากหลายแต่ความจริงก็ เป็นเหมือนๆกันเพียงแต่ทรงแสดงไว้ต่างลักษณะเพื่อให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจบางครั้งก็ทรงแสดงว่าให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาปทั้งหลายเสียให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลง นี่ก็คือวิธีที่จะทำใจของเราให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบางครั้งก็ส่งสอนให้เราทำบุญให้ทานให้รักษาศีลให้ปฏิบัติธรรมให้บำเพ็ญจิตตภาวนาจเจริญสมถะภาวนาแล ะ, จะเจริญวิปัสสนาภาวนานี่ก็เป็น เป็นเป็นวิธีกำจัดความโลภความความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเช่นเดียวกันบางครั้งก็ทรงสแสดงมากแบบเช่นสัมมาทิฏฐิให้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็อย่างที่บอกไว้แล้วให้มีความเห็นถูกต้องตามหลักของความจริงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใด ไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆในโลกนี้นี่คือวิธีการที่จะนำพาไปสู่การไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอามาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวแล้วไม่นำมาปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเพราะเหมือนกับรับยามาจากหมอแล้วแต่ไม่รับประทานยาตามที่หมอสั่งถ้าไม่รับประทานยาโรคที่มีอยู่ก็จะไม่หายดังนั้นเราต้อง ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหลังจากที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะต้องดำเนินต่อไปด้วยการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาตามลำดับทีละเล็กทีละน้อยช้าหรือเร็วมากหรือน้อย ก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรานั่นเองถ้าเราปฏิบัติมากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผลก็จะปรากฏขึ้นมาเร็วถ้าเราปฏิบัติน้อยปฏิบัติไม่ต่อเนื่องผลก็จะไม่ค่อยปรากฏขึ้นมามันไม่ได้อยู่ที่ใครเรื่องของผลนี้อยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละบุคคลบางคนนี่ก็สามารถบรรลุปฏิ หลังจากเ พ, เพียงได้ยินได้ฟังแล้วนำมาปฏิบัติในขณะที่ได้ยินได้ฟังเลยก็ก็บรรลุผลขึ้นมาได้เลยเช่นในสมัยพระพุทธการมีผู้ฟังเทศ์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งบรรลุผลเป็นจำนวนมากกันโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปปฏิบัติเลย เพราะเขาสามารถปฏิบัติได้ในใจของเขาเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็สามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเขาให้หมดไปได้เลยดังนั้นเราจึงต้องปฏิบัติกันเราได้ยินได้ฟังแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเราต้องกำจัดอะไรเราก็ต้องทำให้ได้ ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้ผลที่ประเสริฐคือความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่สุดยอดของความสุขทั้งหลายเป็นความสุขที่จะอยู่ไปตลอดกับตลอดเวลาไม่มีไม่มีเสื่อมไม่มีหมดไปอยู่ตรงนี้อยู่ที่การปฏิบัติศึกษาแล้วเราก็นำไปปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วผลก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปในทางตรงข้ามถ้าเราจะปฏิบัติโดยที่เราไม่ศึกษาเลยเราก็จะไม่สามารถบรรลุได้เพราะว่าเราจะปฏิบัติไปตามความเห็นที่ไม่ถูกนั่นเองเพราะไม่มีใครจะรู้เรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติเองแล้วก็จะไม่มีทางที่จะบรรลุได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเลยเพราะเราไม่มีความสามารถพอเท่ากับพระพุทธเจ้านั่นเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องศึกษาจากผู้อื่นสามารถบรรลุได้ด้วยตนเองเพราะไม่มีผู้อื่นมีความรู้ ความสามารถพอที่จะสอนให้บรรลุได้นั่นเองยึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาส่วนผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุขึ้นมาได้แล้วไม่ได้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าเป็น ส, สาวกอรหันอรหันตสาวกเพราะเป็นผู้ที่อาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นำทาง ในศาสนาของพระพุทธศาสนาในแต่ละยุคนี้จะมีพระพุทธเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวเป็นผู้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เดียวนี้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วผู้ที่รู้ต่างไม่ได้เรียกตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เรียกว่าเป็นอรหันตสาวกสาวกนี้แปลาจากภาษาบาลีว่าผู้ฟัง สาวกนี้แปลว่าผู้ฟังส่วนพระพุทธเจ้าศาสดานี้เป็นผู้สอนต้องมีศาสดาสั่งสอนถึงจะสามารถรู้จากวิธีการที่ปฏิบัติที่ถูกต้องได้และปฏิบัติจนบรรลุผลได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนแล้วเราปฏิบัติกันเอง รับรองได้ว่าปฏิบัติอย่างไรก็จะไม่มีทางที่จะบรรลุได้ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีทางที่จะกำจัดความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้เพราะเราไม่รู้ว่าความอยากทั้งสามนี่แลเป็นต้นเหตุเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้แก่เราทั้งๆ ท, ที่มันก็อยู่กับเรามาตลอด และเราก็ทุกข์กับมันมาตลอดแต่เราก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ทุกวันนี้เรากำลังทุกข์อยู่กับอะไรเราก็ทุกข์อยู่กับความอยากนี่แหละอยากอยากในการอยากไปนู่นมานี่อยากไปเที่ยวอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะพอไม่ได้ทาตามที่อยากก็ทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับและบางคนถึงกับทรมาน ทนกับความทุกข์ทรมานไม่ไหวถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มีเพราะไม่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองอยากจะทำนั่นเองไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆนี่แหละเป็นต้นเหตุที่มีอยู่ในใจของเรามีอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกตัวแต่ไม่มีสัตว์โลกตัวไหนเห็นโทษของมันเลยมีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ยังถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นบุญของเราที่ได้มาเจอผู้ที่มีความรู้ความฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าที่มีความเห็นที่ถูกต้องที่เห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายนี้เกิดจากความอยากที่มีวิเนจัยของเรานี้เองและวิธีที่จะกำจัดความอยากทั้งสามนี้ก็คือการทำบุญให้ทานรักษาศีล ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมจเจริญปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถทำให้จิตใจของพวกเรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้โอกาสอันดีนี้ผ่านไปเพราะถ้าเราตายไปแล้วถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเวลาที่เรากลับมาเกิด ครั้งต่อไปในโลกของมนุษย์นี้เราอาจจะไม่ได้พบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกก็เราก็จะไม่มีผู้ที่จะมาสอนมาบอกให้เราปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็จะต้องเวียนว่ายตายปเกิดไปเองแบบไม่รู้จากจบจากสิน้นจนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับประโยชน์เพราะถ้าเราเกิดมาในครั้งนี้เราได้พบกับพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าในชาตินี้แล้วเรายังไม่ตักตวงเอาประโยชน์แล้วถ้าข่าวต่อไปเราไปเจอพระพุทธเจ้าหรือเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไปตักตวงเอาได้อย่างไรเพราะเราก็ยังจะไม่มีความ เห็นถ <se> <language> <ara> so, ูกต้องที่เห็นว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิถีทางที่ดีที่สุดเป็นทางที่นำไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงดังนั้นในภพนี้ชาตินี้สิ่งที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือศรัทธาความเชื่อเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกกับพวกเรานี้ เป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างแท้จริงจะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงจะนำพาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแท้จริงเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสปล่อยเวลานี้ให้มันหลุดมือไปขอให้เราน้อมเอามาปฏิบัติเถิดในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่เชื่อก็ขอให้เราเอามาทดลองก่อนมาปฏิบัติทดลองก่อน เหมือนกับหมอที่ให้ยาเรามารับประทานเราก็รับประทานทดลองรับประทานไปดูถ้ามันไม่ดีเราก็จะได้รู้ว่ายานี้ไม่เป็นประโยชน์เราจะได้ไม่ต้องรับประทานต่อไปถ้าเรารับประทานแล้วมันทําให้โรคของเราเบอกทุเลาลงเราจะได้รับประทานต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดไปฉันใดการที่เรานาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติ ก็เป็นเหมือนกับการรับยามาจากพระพุทธเจ้าเพื่อมารักษาโรคใจของเราโรคของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราเมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้ามันไม่ได้ผลมันไม่เห็นผลจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือไม่ได้ปฏิบัติเท่าที่ควรเพราะมีผู้อื่นที่เขา นำมาปฏิบัติและได้รับผลมีเป็นจำนวนมากที่ปรากฏเป็นพระอาริยสงสารลกนี้ก็เป็นปุถุชนเหมือนเราที่มีศรัทธาความเชื่อที่น้อมเอาพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนบรรลุเป็นพราะอารหันต์ขึ้นมามากเป็นจำนวนมากม า, กกายก่กองดังนั้นเราไม่ต้องสงสัยว่ายาที่ให้มานี้จะไม่ถูกกับโรคของเรา อยู่ที่ว่าเรารับประทานอย่างถูกต้องหรือไม่รับประทานเท่าที่หมอสั่งให้รับประทานหรือไม่เท่านั้นเองจึงขอฝากเรื่องของการเข้ามาหาพระศาสนาเพื่อสร้างความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐินี้ให้ท่านได้นําไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป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 t h a m e t h i n